ที่อยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะนำออใช้ได้แล้วบรรธะธรรมที่บรรจุไว้ภายในจิตใจของท่านเมื่อเครื่องมือไม่อำนวยก็ใช้ไม่ได้อย่างหลวงปู่ขาวเขาก็เห็นนั่นเชิงประคองขันนี่เขาก็จะประกับประคองไม่ได้แล้วคนอื่นช่วยประคองในเวลานี้ส่วนจิตท่านจะเป็นอะไรแข็งแรงไม่แข็งแรงจิต ท, ท่านจะเป็นอะไรจิต ท, ท่านไม่ใช่ขันนี้ มันไม่เคยินการงานอะไรอะไรมด่ย <Hey>, well, sure ุ่งยากมากคนน้วัดนี Gods ้อยู่แล้วมันมันขวางตาขวางใจไงเ้จะกลายเป็นยุ่งเฮ้ยเป็นกลายเป็นโรงงานขึ้นมาพอวันพระวันเจ้าแล้วก็ฟังเสียงปังบังปังปงไม่ใช่วันพระอะไรยุ่งเลยเราไม่เคยมีมัน ขวางขวางหัวใจนะให้จิตใจภาพ็จะไหลออกไปตามวัตถุนันตามถิงนั่ น, จ, น, นจิงนี้ไปนะดานอัตธรรมมันก็ด้อยอยู่แล้วก็ยิง่งมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปนี่อันนึ่งการงานต่างๆอะไรๆนี่มันค่อยแชกเข้ามาแซงเข้ามา ล้วเหยียบย่ำทำลายทำขึ้นหายไปหมดถึงนั้นมันติดง่ายของเรายากวัตถุมันติดง่ายห้อมเป็นแม่เหล็กของจะเดียอยู่แล้วมันดูดได้ง่ายกษมาที่ทาปัญญาทำอย่างี้ มันไม่เกิดอ่ามือบ้างได้ไม่น้อยหรอกว่าเรจะพังไปหรือไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนที่ไหนบ้างผมก็ไม่ได้ถามนะเพราะสุขภาพเพราะตัวของผมเองมันก็เยอะแล้ว มันแย่เกินกว่าที่จะไปถามสุกถามทุกถามการแปกันมาของหมู่ของเพื่อนมันบอกอยู่ในตัวของมันนี่เรืองจะไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เดียวิ่งเข้าป่ากเขาลกไปแล้วจะว่างไงมึงก้างมัสลาเหมือนกันคนนั่นดุมมาคนนี้ดุมมาเดี๋ยวิ่งเข้าป่าดูกรรู้ขอหมู่เพื่อนทำไมตั้งแต่ในขานนนี้มันก็พอตัวมันแล้วจะไปยุ่งอะไรกับอะไรอีกเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกนั่นความหมายว่าอย่างนั้น เวลามันพอง ม, มันกระพรอง ม, มันอย่างนั้นใจไม่อยู่ทำไมจะไม่รู้ฉันไม่อยากยุ่งกับอะไรคือตะเกียบตะการนี้ก็เพราะความสงสารเอ ง, เองพอพอคลื่คลานไปแล้วก็คลื่คลานไปตามพังจะขลัองอยูม่มึนกับอะไรนะอืปล่อยมันไปนานแล้วนี่น วันไหนวันวันไหนวันขันอะไรกับมันดินก็ดินเนี้ยเหยียบอยู่นี่ก็ดินนั่งอยู่นี่ก็ดินเนี้ยน้ำกับน้ำลงกับลงไปกับไฟจะอะไรกับมันมันก็เต็มอยู่ด้วยดินด้วยน้ำด้วยลงด้วยไฟในโลกอันนี้มันบกพร่องที่ไหนถ้าจะเอาเป็นมรรคเป็นผล รวยกันทั้งโลกแลยใครจะมีความปกป้องมาบุญทุกันทำไมอย่างนี้ไม่ใช่มรรคผลเลยที่แนมะ้อยู่ในกายเนี่ยมันก็เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไงมัอมนอยู่ตามหลักธรรมชาตินังนัหละอาจจะเสกสรรไม่อยอมไปไหนะมันก็ไม่ได้ไปมันคิดมันหดตัวก็มาหดตัวก็้ามางั้นทุกวันนี้นับปีชอบอะไรหดเข้ามาหดเขมา อายุขนาดนี้ ร, รู้ใจชาติแล้วหลงายใจนิช้าไม่มีอะไรทางภายในใจช่วยไม่บังมันไปนานนั่นนะของผมนี่มันงจะปล่อยมันก็คงไปนานแล้วเหมือนพอพยุงได้ก็พยุงมันไปอย่างนั้น ปล่อยมันตามเรื่องมั น, นก็ดูมันจะไปง่ายๆนี่พอพ ะ, ยพะยุงไปเหมือนกับยารักษาโรคเนี่ยทำโมโหสดรักษาใจกัเหมือนกันมันพอพยุงกันไปกก็พยุงกันไปหรือบาด ก, กว่าแรงแล้วนะก็ปล่อยเสียมเหมือนกับยาประกุคนค่า ย, ยนั่นะ วัตถุนั้นแหนะมันเข้ามาท่วมทับนะอันระวังนี้ไม่ได้ชินต่อสิ่งเหล่านี้นะหัวใจนะอันชินมันกลมเกลืนอยู่กับทำต่างหากนี่ทำมันเหมือนกับว่าอะไรมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลยนอกจากนั้นชินใดจะขาดตัวบกพั่งนี้ไม่ได้ถือมันสาคัญอะไรนักเลยไมไ่ถือแบรลมยิ่ยงกว่าทำ เห็นเมื่อยเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเามันะดุดกะดุดกะดุดเนยะคือแปลหูแปลตาคือ้าสึกมันมามันจะมาเหยียบย่าทาลายธรรมนั่นเองาพยายามเจ้านวไหมตราไปทามันจะไม่ทำจะไม่มีนี่นะมีแต่วัตถุไไม่หมดเลกสาสนาวัตถุสิไม่ใช่ศาสนาธนะรรมนล่ะนะนั่นหลัวลานี่ยหลหามา เจอ้อะไรกันมัน้งทิ่งวนี้มันเต็มเป็นดินอยู่แล้วนี่อาศัยทบบนั้นเลยทำต่างหากวิเศษประเสริฐมันมีอะไรเหมือนในโลกกระถานนี่ไมนมีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแดนโลกกระถานนี่นั่นฟังด้วย ตอนนั้นก็ทราบแล้วไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนนั่นเนี่ยแต่ยังเห็นถึงนั้นประเสริฐอยอ่อันนี้ก็ยุบยอบอันนี้ก็เกิดไม่ได้เพราะม่ขยกกับแย่ต้นนี้มากๆทอนาท้าไมมีจุดมีหมายไม่มี ที่สูงที่ต่ํากันบ้างมันก็ไม่เห็นกําลังของกละกันการภาวนาลำนิสัยผมเป็นอย่างนั้นฉันไม่เคยพูดให้หมู่กว่านฟังหสัออะไรก็ได้เข้าขั้นทดลองกันดูก่อนอันถึงได้อันนั้นออกมาใช้ล่ะที่นี้ออกมาใช้เป็นการเป็นงานเลย จิตเวลาไม่จนกลอกมันก็โอเออโอเออเวลานจนกลอกจริงมันจะตายจริงอะไรตายคนไปหาตีมันตายมันจะทุกขนาดไหนจิตมันก็รู้กันอยู่นี่มันตายเมื่อไหร่วาดกันลงไปตรงนั้นเราให้เห็นความจริงมันนี่อะไรตายก็ตายเถอะให้มันรู้ต่อหน้าต่อตากันนี่วันนี้ะเราจะดูทั้งความเป็นความตายอะไรตายอะไรไม่ตายมันรู้จะจิตนี่เป็นนักรู้ขุดค้นกอนไป มากเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยความตายทิ้งข้างหลังไว้เลยเอาความจริงกางไว้ข้างหน้ามันเดืออดแต่ความจริงสุดท้ายมันก็ทะลุไปเลยอือเป็นอย่างนี้เหรอนั่นทีนี้ทำไมจะไม่ได้คําพูดมาพูดเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วคำพูดคาพูดนี้เอามาจากความรู้นั้นน่นนะทําไมจะพูดไม่ได้วะเมื่อมันรู้มันเห็นเข้าไปแล้วมันพูดได้หรนอมั้ง สิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นปฏิเสธกันไม่ได้ทั่งที่ว่าทำทำนี่อมันไม่มีอะไรเหมือนนี่เอาต่ว่างี้ในสามได้โลกธานไม่มีอะไรเหมือนนียแต่ก็พอพูดได้ว่าทำทำก็พูดเสียธรรมชาติอันนั้นพูดไม่ได้ก็ไม่พูดแต่มันรู้กันอยู่นั่นจะว่าไงจริงกล้าพูดที่ว่าไม่มีอะไรสัมผัสสัมพันธ์ทําได้นอกจากใจ ตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี้ไปใช้ไปนคนรัแบบไปไปบับไปเที่ยวมันไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ทําได้นอกจากใจเพราะฉะนั้นคือปรับใจให้ดีน่ะควจะสัมผัสสัมพันสทําในขั้นสมาธิก็ให้ได้สัมผัสสัมพัสในใจของตัวเองปรับเข้าไปปรับเข้าไปทํำมีอยู่แล้วเป็นที่เป็ว่าปรับจิตไม่ถูกเท่านั้นเองปัจจุบันนี้ตลอด เ, เวลาทําไม่เคยล่าสมัยมันล่าสมัยจรง ยิเหล่าให้้านที่ทำไม่ได้ร้านทานมีวงในวงนอกกันบ้าง เ, เหมือนก็ต่อยมวยกันชกมวยกันก็นดีอย่าล่ไปเรื่อย ๆ, ๆไม่ได้อะไรสะดุดใจนะเ ม, มื่อไม่มีอะไรสะดุดใจแล้วกำลังใจก็ไม่เกิด กำลังใจเป็นสาคัญมากนะถ้าลงมีกําลังใจแล้วมันพุ่งพุ่งพุ่งเรเห็นว่ากําลังใจสี่สคัญมากทีเดียวเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จะเพิ่มกําลังให้มีขึ้นมากโดยอาศัยครูกระจารยมุ่งพูดแนวทางให้เวลาไปเจอเขาตรง น, นั้นแหะนั่นแหละความกาลังขึ้นที่ความจริงนั่นแหละพอได้เจอเขาแล้วความเชื่อไม่ต้องบอกฝังลงทันทีเลยแม้ สิ่งนี้จะไม่ปรากฏอีกก็ไม่ถอ น, อนทั้งดียวอาจจะรด้ศรัทธาได้เคยรู้เคยเห็นแล้วสิ่งนี้แม้จะไม่ปรากฏทุกเวลามาเวลาที่ต้องการก็ตามแต่สิ่งนี้ได้มีแล้วได้เห็นแล้วนั่นปฏิเสธไม่ได้ไม่แต่จะขุดค้นลงไปให้ถึงอย่างนั้นอีกหรือยิ่งกว่านั้นข้าไปถ้าควรจะยิ่งได้ยังไงให้ยิ่งขึ้นไปกำลังใจมีแล้วมันพุ่งงิอยู่เดิน หลูงลงกรงกลับ ม, มันยังจิตมันยังเหมือนจะหอเหินเดินฟ้ามันไม่ได้อ่อนไปตามร่างกายเลยเห็นเวลาเราท ร, รมานเราอย่างหนักนมีนี่เห็นจก้าวขาไม่ออกไปบินตะบานอมว่าก็จะไม่ถึงบ้านโอ้อนมันเพียขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเต็มที่ทั้นๆนี่ลงนุมน่มๆอยู่นั่นน่ะเพรการฝึกการท ร, รมานทีนี้จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันเหมือนจะหอเหินเดินฟ้าน่ะ แม้ถึงเวลาที่ควรจะไปไปฉันนะครับจิตมันแทนที่มันจะก็ยิมในเรื่องฉันมันไม่เป็นอืมแต่แต่มาฉันให้มันก็จะตายจะไม่ได้ทำผลถึงกี่ถึงฐานจําเป็นต้องเยียวยากันไปยแต่ฉันแล้วก็รู้นี่สายลมมันใหญเวลาปผกกันมันเป็นอย่างนั้นนีไม่ถึงสิ่งที่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้ ถึงขั้นมันเป็นเองมันันก็ไม่ต้องบอกก็นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งขั้นที่ต้องถูต้องไถอย่างนี้มันต้องถูไถกันมั่งคนหนักเขาหนักกันมั่งแต่ถึงเวลาที่มันรู้การรู้งานแล้วมันไหลมันไปเองไม่ต้องพูดแล้วนั่นมันเป็นในเจ้าของนี่แหละมันมีใครบอกก็รู้อีกอย่างสติปัญญาอัตโนมัติอย่างนี้ท่านวอกมหาสติมหาปัญญากคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์แต่พอมัน เกี่ยวข้องเงินสัมปทานกันแล้วไม่ถามก็รู้แมเพราะเป็นความจริงกันเดียวกันไอ้จิตที่มันเคยงูเง่าเต่าตุ่มคือคืบคลานๆล้มลุกคุกคลานนี่ั่นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่มันเป็นตัวใหม่ขึ้นมามันขั้งตัวทุกอย่างหูดีตาดีไปหมดเมื่อสติปัญญามันดีสักอย่างเดียวอะไรสัมััสมพันธ์มันวิ่งถึงกันแบบบเลยเกี่ย อยู่จะถึงเมื่อไรจงกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต่อสู้แล้วยุติ ก, กันไปเองธรรมะทั้สุดนแล้วนอนได้แค่นี่นาธรรมาจังคืบคลานเข้ามาถึงในหมู่เพื่อนผมวิโตวิจานมากตรงนี้เทศกเทศความจริงให้ฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแง่ทุกมุม แต่เวลามีกำลังบางชาสุขภาพอำนวยอยู่ประเทศให้เต็มเหนี่ยวรวันนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วพอพูดไปก็หอบไปแล้วระวงงังนี่ถึงได้หยุดนดี่มันรู้แล้วภายใ น, นยว่ามันจะไปไม่รอดโอ้คิลสปิดหูปิดตาใจปิ ด, ป ด, จ, ปดจริงๆนะ ปิดมือปิดตา เ, เอาของปลอมเข้ามาหุ่นห่อไว้มัดเลยเป็นไม่เห็นของจริงได้เล ย, ยนี่สิอันก็ผิดอะไรกับคนตาดบอดหงวงวงัวหมวกไปที่ไหนก็ถูกที่ไหนจูงไปไม่ได้ไปโดยลําพังอิสระเจ้าของเหมือนคนตาบอดไปรูปคำคำไปแล้วโดนนั่นเดี๋ยวโดนโดนี่ลกบุกคุครานทะลอกปากเปิดเพราะไปไม่ถูกทาง คนตาบอดมันจะไปถูกทางอะไรนีใจบอดมันก็อย่างนั้นอืมมันก็โดนโดนนี่โดนนักโดนชังโดนเกลียดโดนปวดผลสุดท้ายก็มีแต่กลองทุกอันนี้จูงไปหากลองทุกมันผิดอะไรคนตาบอดอฟังมันถึงใจสิกกินมันเปิดออกจากนี่ดูสิมถึงจะได้รู้ชัดจน อย่างที่ว่าอ า, ากาศของกิจอ า, ากาศของธรรมอากาศของโลกอากาศของธรรมไม่ผิดกันนั่นมุดความดึงดูดแล้วมันไปได้ครอบตัวอย่างว่างชิน้นหมดหมดสิ่งดึงดูดแล้วก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะมาครอบได้เลยเหนือหมดทุกอย่างอยู่ไหนก็เหนืออยู่อย่างนั้นไม่มีคําว่าการสถานที่อาการลิกาจิตพอแล้ว บานการเป็นการตายไม่กาหนดมัญหาอะไรเหมือนกับยกสูงตั้งท่อนแต่ปรุงให้มันหนักทําไมกับรู้มันจะทุกอย่างแล้วมันอยู่เท่านั้นเองอยู่กับรู้ๆนั่นเท่านั้นพอดีกับอนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันหนักลําบากมันดูดมากนะเวลาเอือมแหล่งนี่โดดจริงๆจนจะ ขยับตัวไม่ได้นะี่เหลือดูดกิจนี่มันดูดขนาดนั้นนะนั่งภาวนาชั่วคู่ชั่วยามนี้เหมือนจะเอาไปฆ่านั่นอนะ่ะมันดิ้น ด, นดนกดแกงไปหมดแล้วนะขอก้าวเขาสู่สมาธิได้บ้างนะเออความดึงดูดทั้งหลายค่อยเบาเห็นไมมชาัิ จิตสงบเย็นแต่ก่อนมันไม่เย็นนี่มันยุ่งกับอะไรต่ออะไรปรุงมิแต่ปุงเรื่องของกิเลสพิเตกิเลสทางานท่าเดียวนี่ไม่ทราบจะเด็กจะเว้นไปไหนก็ก็เหมือนคนตาบอดอย่งว่าอไหนก็คโคมขามโคมขามก้าวอันไหนก็โคมขามโคมขามมิดตะขอดตาหนามตาบอดแล้วตาไหนจะมีตะขอดตาหนาเมืม่อคิดไม่มีช่องมีทางไปมันเป็นอย่างนั้นแหะ คิดไปเรื่องไหนก็มีเต่บขนเติบไฟไปหมดนี่ที่มันทํางผันมันเป็นมาหมดแล้วนี่ถึงในนมามพูดอ ว, ว่ามันเวลามันเบิกออกเบิกออกไระลู้ชัดเข้าไปชัดออกไปจิตก้าเขาสู่สมาธิเป็นสมาธิเยน็นเทนิสสบายไปไหนก็สบายไม่ยุ่งกับอะไรแม่กิเลสจัยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ออกเป็นท่านเพราะกิเลสประเภทหยาบๆมันทงหมดตัวมันลงไป เาะสมาธิครอบหัวมันดังนั้นท่านจึงให้คลี่คลายทางด้านปัญญาเหมือนกับว่าปิดประตูแล้วที่นีเข้าฟันกันในครอบนี่สมาธิมันเป็นเหมือนปิดประตูไว้เข้าสู่ความสงบเป็นบาดเป็นฐานแล้วเอาที่นี่มีกําลังลปัญญาค ล, คลี่คลายเข้าไปฟันเข้าไปแยกแยะออกมานี่เห็นเป็นวักเป็นตอนอะไร กิเลสตัวไหนขาดไปตัวไหนขาดไปขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญารู้รู้จนกระทั่งหอ๋กิเลสไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสเปิ้นสมารถที่ใช่ผู้ฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่าครอบหัวกิเลสไว้เท่านั้นไเวลาค่าจริงเป็นเรื่องของปัญญาอ่เอาเรารู้ได้ขาดเลยแล้วยาทลายสติปัญญาที่ละเอียดลงไปละเอียาลงไปตามมันไปตามไปทันกันไปเรื่อยข้าไปเรื่อยมันจะามาจากไหนกิเลสมีแต่ฆ่าอย่างเดียวไม่เด็ดผิดขึ้นมานี่ เมื่อถึงขั้นไม่ผิดมันมันไม่ผิดนะถึงขั้นฆ่ามีแต่ฆ่าทั้งนั้นถจนกิเลสโผล่ออกมาไม่ได้โผล่มากก็หัวขาดเลยถึงปัญญาขั้นนั้นแล้วเป็นปัญญาไม่ถอยเป็นปัญญาไม่มีคำว่ากลัวกิเลสจะทุกสะทานต่อกิเลสไม่มีมีแต่ขยับผาทั้งนั้นคุยเสียงจนะอะไรไม่มีอะไรเหลือแล้ว จะค้นหาอะไรเนี่ยหมดแล้วกุศลธรรมมาเผามันเรียบหมดความฉลาดเผาเย็ยหมดอล่างสบาย โอกาสาบเรี้ถึงมันเป็นใจในเรื่องปฏิบัติธรรนิดน้อยอผมคือก็ผมไม่สราบวา่าการปฏิบัติของผมจะถูกรือไม่ถูกในขณะที่ผมนั่งในระยะแรกรทำจิตเป็นสมาธิก่อนสักชั่วระยะพักหนึ่งมันจิตสงบดีแล้วผมก็ถอนจิตมาพิจารณา ระว่างิจารณา ส, สองสามั่วโมงจากกระผมนี่เาิตื่นตีหนึ่งจารณาตีสี่เวทนามันเกิดมากตะทนไม่ไหวจารณาแยกๆคล้ายเวทนาคิดทำออกไปให้เป็นสู้ไม่ไหวครับผมเลยต้องเอาสมาธิเข้ามาควบเวทนานะให้หมดไปจนกรทั่งีห้าจึงลงมาเดินตรับ การกัตบัตยังอย่างนี้จะปุถุตถึงขั้นหุดตาขั้นก็ถูกถูกตามขั้นการชี้เลกตีกายเวทนาจิตรมแหลกก็บรมีสู้ไม่ไวแต่ยังมีสู้อยู่อย่างดีในพวกไม่มสู้เลยมีเยอะนี่ว่าไง ม, มอบเลย ถูกตามขั้นนะไม่ผิดทุกเวทนามันเกิดามากทําไมมันเอาสมาธิไปครอบมันได้มันมีแปดอยู่ตรงนี้นะถ้าผมนี่ครอบมันได้สมาธิถ้าลงทุกเวทนาเกิดัามากแล้วต้องอปัญญาครอบสมาธิมีมากนอก้อยเพียงไรก็ต้องบรรลังสมาธิที่พังเลย โดดหลังจากสมาธิฟาดกันทางปัญญาเลยเวลามันต่แตกทางนั่นปัญญาแล้วทีนี้สมาธิมันเป็นทั้งมันเองแน่ no. อัศจรรย์ด้วยยิ่งเราสมาธิมาครอบเวลาทุกเวทนามากๆวิาจารณาถึงใจวิจารณาจิตทำล่มระนามันสูดทุกเวทนาไม่ได้กายเวทนาเนี่ยแต่วิจารณาสู้เวทนาไม่ได้เราสมาธิไปครอบมันยังไง มันไม่ถึงขั้นที่สมาธิจะแตกมันถึงพอครอบได้ถึงขั้นมันสมาธิแตกมันไม่อยู่แล้วมันแตกมันเองผมเป็นมาหมุนแล้วเนี่ยวันคืนไม่คิดว่าจะภาวนาตลอดรุงไรเล ย, ลยนั่งภาวนาธรรมดาลิดๆภาวนาภาวนาไป ทุกเวทนาเกิดอันที่เนี่ยก็สงบและจิตสงบแนวดีจากนั้นมาก็สมาติทุกเวตนาเก็ขึ้นมันหนักเข้าหนักเข้าทนไม่ไหวเปลี่ยนท่าโรคใหม่ที่ที่นี่ท่าความสงบนั่งหรือบันลังเลย หมุนออกทางด้านปัญญาฟาดกันเลยจนกระทั่งปัญญาตีกระแตกกระจายหมดแล้วที่นี่เป็นสมาธิเองลงแนวเป็นเองอันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นจากด้านปัญญาคือเป็นสมาธิที่อะไรพูดไม่ถูกนะสมาธิประเภทนี้เป็นสนระสมาธิกรณีพิเศษเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาที่อย่าปัญญาโลสมาธินั่นแนหะ อปปนามันก็เลยใชะมันอะไรพูดไม่ถูกนะอปปนาเราก็เคยเป็นนี่มันแน่วตลอดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันทำนากรนา่นนั้นอปปนาแล้วก็ยุ่มแต่อันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่นั่นเพราะวาอปปนามก็พูดไม่ถูกแต่ว่าลูกพูดล้มลุกมาว่ามันเป็นสมาธิคือแน่นปังแน่นแต่จริงนม่มีอะไรก็ไปเกาะเลยนั่นด้วยอนาจปัญญา การพิจารณากายนอกกายในยนั้นไม่สําคัญไม่ถื อ, อนะมีความสัมพันธ์เท่ากันขอแต่ความถนัดความตํา บ, บัตของจิดเกิดทามันพิจารณาทางข้างในไม่ได้เอาข้างนอกซะก่อนมันติดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอะไรยกรูปนั้นมาตั้งเึื่อไปแล้วพิจารณาแยกแๆ ก, กันเอามันหลายครั้งหลายผลจนมันเป็นที่เข้าใจมันถึงย้อนเข้ามาภายในตัวเ อ, อย่างนั้นนะทำพิจารณา กายวิภาคมาันจะมาวิภาคเฉพาะกายภายในกายภายนอกคือวิภาคหน่วิภาคคือแยกแยกออกหนะ่่นว่าวิภาควิภาคคือแยกออกอุกหะนิมิตยกขึ้นอุกกหะแปลว่ายกขึ้นยกขึ้นพิจรารณาเป็นปฏิภาคนะ่ะคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปภาครัฐและส่วนอุกกาห์ยกขึ้น อ, อกห่านี้มีดปฏิภาคนี้มิดแต่ยกว่าลูปกาได้มาก็ได้มาตั้งมาตรงนั้นกําหนดพิจารณาตั้งแต่ผิวๆออกเข้าไปเข้าไปเยี่ยงไปหนุ่หนึ่งทังลาหเห็นตอนกิเลสมันหลอกเรายังหลอกได้อุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่แก้ความหลอกลวงกิเลส ด, ด้วยธรรมธรรมมีอย่างนั้นกิเลกก็มีอย่างกิเลสมีอย่างนั้นธรรมก็มีอย่างนี้แก้กัน ยี่เหลวว่ันนันมันสวยมันงาม อ, อันนี้ไม่สวยไม่งามเข้าไปแก้ไขนะ น, น, นี่เป็นฝ่ายมาัดอันนั้นเป็นฝ่ายยี่เหลวการแก้นี้พิจารณาเป็นอุกทานนิเป็นปฏิภาค น, นิดยกขึ้นแล้วแยกแย ก, แยกกระหนอมเป็นฝ่ายมาัด น, นี่มาพิจารณาภายในก็ได้มาพิจารณาภายนอกพิจารณาภายใน ทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนราจนพอถือเป็นการเป็นงานตลอดจนกระทั่งมันพอมันมันรู้เองเวลาพอไม่ว่าสุภาพภายนอกภายในไม่ว่ากายเขาการเหล่ามันพอแล้วมันปล่อยข้างนั้นเนี่ยนี่ที่พูดถึงเรื่องสุภาสุภาเมื่อมันปล่อยข้ามันมันผ่านตรงกลางมันนะไม่ได้ไปอสุภาไม่ได้ไปสุภาไม่ได้ไปสุภา นันน่ะมันเห็นอย่างนั้นดินนัปฏิบัติไม่มีใครบอ ก, ก, กมันก็ลุ้ของมันธรรมมีอยู่กับทุกคนจําเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนลำ ด, ดับตำราอย่างเดียวเท่านั้นธรามีอยู่ทั่วไปความจริงมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปทํามันเกิดเกิดได้เท่านั้นนะไม่ต้องไปดูตําราที่เลส ก, ก็เกิดอืมไม่ต้องมาดูตาดําราธรรมก็เกิดถ้าพิจารณให้ถูกในแงแข่ของธรรมพิจารณาเป็นไปในแงข่ของกิเลสไม่ต้องดูตํำราก็เกิดกิเลสนั่น ทำเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่มันมากเึืกว่ามันเป็นไหนไหนแต่ข้างนงมันมีสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนั้นยังมีกําหนดกันไว้นี่แปดหมื่นสิบพัมาทำขัคารฟังซิอันนี้พระกันตาลุกจนาจารย์จดจำรู้กันไว้อย่างนั้นเองก็พอประมาณตามกําลังของท่านและตามกําลังของผู้ที่จดจำจดจำตอนนั้นนะว่า8 000, 000, ปดหมื่นพันไปทำอาาร ความรู้ที่อันเป็นของจริงที่เกิดเกิดขึ้นในใจมัน ม, ม, ม, มันมีกำหนดเมื่อไหรไม่มีแต่ข้างหนังออกไปไม่มีขอบเขตดลวงพ่อแม่จารยจท่านพูดที่เราเขียนไว้ในการตต้ตอบปัญหาเนี่ยดูเามัานเกิดได้ทุกวิทาเวลาท่านท่านจึงพูดว่าทาที่มีแตกรรมพีนีเหมือนกรรน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายหลายขน ที่นอกกัมไพเนี่เหมือนน้าเนี่ยต้องฟ้าเหมือนต้องฟ้ามาหาสมุทรนะฟังดิจิตมีขอบเขตเมื่ อ, อไหร่เมื่อเวลาถึงเวลารู้แล้วมันก็จายไปหมดเลยเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของจิตอันประเภทนี้ล่ะอืจิตประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้ถูกกักขังแวกว่าหัวหางกลางตัวได้สุดเฉตสุดแดนของโลกธาตุจะว่าไงไอ้เจ้าจมาพูดอะไรแปลกสี่พันธรรมสีม่พันธรมันเท่านั้น มันกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นถ้ามันรูปขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติเลยมันตึองชัดเจนว่ะอย่างวุฒิเจ้าสอนโลกลายนี้เข้ามาเป็นอย่างหนึ่งลายนั้นเข้ามาเป็นอย่างนึ่งมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลายมันเหมือนกันเมื่อไหนีสายปวการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวกันได้หรือลายไหนมานีสัยไงมาก็ต้องตอบงั้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้นั้นเหมาะสมกับจริตที่ใส่ผูนั้นได้รับประโยชน์แน่ก็ผิดกันไป เปลี่ยนกันเป็นลายๆลาลาไปเลยธรรมะท่านท่านไม่ได้ไปหากุญแความมาจากไหนเพราะฉะนั้นภาพนินนี้ขึ้นรับแล้วมีอยู่กับมีแล้วนี่นอกจากไม่นำบอกใช้ตา ม, มเหตุการณ์ตอนนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็นำบอกชทันทีทันทีทันทีทันทีท่านจะไปหากว่า ม, มาจากไหนควาะไม่ทันถ้าไปหาพว่าเราไม่ทันตายพี่คงเปล่าเนะี่ยมีอยู่กับใจหมดแล้วความไม่ความอยู่กับนั่นเลยจ่ว่างไง ถืออยู่กับมือแล้วจ้วงก็ไปเลยจ้วงแทงก็ไปเลยเราหนูตัวเท่าหนูแต่มันอาจารยพูดนี่นะเรื่องอย่างนี้อาฐานย์งตงที่กิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่างนันเลยถ้าลงจิจโดยพ้นจากความเป็นผู้ต้องหาพ้นจากความถูกกักขังแล้วมีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่างนัน เวิร์ว่างไปหมดไปได้หมดรู้ก็ได้หมดพูดไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาจีดมาขวางเลยเลยความจีดขวางมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็รู้ได้ชัดนีเมน่อยม่มีกิเลสสักอย่างเดียวอะไรมาขวางจีดประเภทนี้จีดดวงนี้วะหนัก จิตไปสัมผัสสัมผัสทุกอย่างเดี๋ยวเวิ้งว้างไปหมดโลกธาตุนี่ว่ะแล้จิตต่างหาไปพัวไปพันไปติดไปเกาะกิเลสพาให้เป็นต่างหากานี่เนี่ยเมื่อตัวมันพาให้เป็นมันตายไปเสอยกิพายไปเสีอแล้วอะไรจะไปให้เป็นอย่างนั้นมีแต่จิตล้นล้นเปทํารรมล้นล้นแล้วไปติดอะไรกับอะไรมันไปคล้องอะไรไปคาอะไรหเหมือนอย่างอวกาศที่เวิ้งว้างไปหมดเลย ทนที่มาจากมองชนวัดอะไรข้างๆมั้เขาอะไรที่มาจากมังชนวัดเขาจะาหลากเลยอะไรนั่งอยู่เลอฮะคนนั้นที่จะยัดตงยัดตีอะไรยุ่งจะตายแหละผมอะ่ะแต่รับหมู่รับเพื่อนไว้ศึกษารวมนี่ก็พอแล้วอย่ให้ต้องรับระยัดตงยัดตี ให้ยุ่งไปอะไรพาละมากมากก่กองจะตายแล้วนี่ผมรับยังไงได้สิ่งที่จะศึกษาด้วยตาก็ดูสิศึกษาด้วยตาด้วยหูเอากั บ, บกีฬาโม้เพื่อนคูกว่าจารอยู่ในทันม่ให้ดูนมากดขวักันให้แบบให้หามกันหนักเปล่า แบบอะไรไม่หนักยิ่ก็แบบคนต้งขี่นะมี่หนักมากแบบกมากางคนก็ไม่หนักอันนี้หนักมากไ <m> อ้ลองเรไปอยู่ตรงไหนมันหนักของนั้นแต่ละคนละคนนี่มันีโรบีโกดขีหลงคนต้งขี่รู้ไหมหนักตงนั้นแหะแบบคนต้งขี่ชีโรบขี้โกดชี้หลง ที่เกี่ยวกับชี้านี่จะชี้แกนกลัวมันหนักสุดอีกเป็นต้นไปจนถึงมุนมุติยารัสนาพิตตตาสันโดษเนืเลื่อยไปสังไส้กากาวิยาลำฐานเวกตาล การไปศีลไปสมาธิไปปัญญาไปยุทธิยาราสนาสิบข้อทันเรียกธรรทํานกล่าวสมมูลนิ้กรรมเครื่องนหนึ่งได้คติจากกันและกันไปอืถึงสมัยที่อยู่กับพ่อแม่กุญแจก็เหมือนกันขึ้นมาหากันไม่มีอะไรมีแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอยู่ทั้นั้นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงมันี่มีโอกาสคุยกันและต่างคนต่างรุ่มคุยกันสนุก ด้านสมาธิก็สนุกในทางสมาธิด้านปัญญาก็เพลินในด้านปัญญาแต่ด้านปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครมากมันหมนุนมัน ห, นหาในเวลาไม่ได้นอกจากผูท้ที่ได้รับประโยชน์จากการจริงๆริงถึงจะคุยเพราะเป็นประโยชน์จริงๆริ ง, งนั่นมาจากป่านั้นนั่นมาจากเขาลูกนั้นเวลามาพบคุยกันสนุกนี่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลาง แถวนั้นเต็มไปหมดแล้วครับแต่อยู่บ้านโค้งน้หมนต์ขอมันกันเต็มไปหมดอยู่บ้านโคง้งบ้านน้ำมนต์หัวหนนาที่นวนเต็มไปหมดมาอยู่น้องคือแต๊งเราคนนิสัยนี่ลราออกไปคนเดียวกรามันเอาเจริงๆิงานะ ผเป็นาตายที่เข้ามาหาพ่อแม่หูจางคือเข้ามารับการอบรมทต้งช่วยภาระท่านเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อ น, าพานเพระพ่เนร์มีมากมันเจ๊กัาๆอย่างว่าผมเข็ดมาตั้งแต่ น, นู้นแ่ะผมไม่ได้เบานะเวลาอยู่กับพ่อแม่หูจางเป็นหูเป็นตาคอยสอดคอยสอ่องพ่อเนรองไหนไม่ดีกี้เหลงทิดไปหมดพ่อเนร์มาทะลึ่งผมไม่ได้แต่นันจะอะไรมาอยู่กับพ่อแม่หูจางก็กลัวมากเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ใส่เปี้ยงลงไปเลย ถ้าเราได้กราบเดียงเพราะแม่กุญจันทร์ลายใดแล้วท่านไล่ทันทนีเลยไม่ต้องเรียกมาถามนะคือเมื่อมันสุกพิสัยแล้วเรากลาบเรียนท่านนี้ท่านไล่ไปเลยเดียวท่านไม่ถามมาเป็นอะไรไม่ถามผพราท่านเชื่อเราน่นเองเราคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เป็นความสงบภายในให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเพราะมีแต่การสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปเองไม่ได้หันตีนิมนต์กันไปไปเองให้ท่านหนักใจอะไร ไปยัววเยอะเยี ย, ย, ย, ย, ย, ยไม่เลือกเลยเราไอเรานี่จะตายท่านก็รู้เวลาผมไม่อยู่ท่านรู้เลยพเนเป็นยังไงไงเวลาผมอยู่พระเนเป็นยงไง ท, ท่านท่านราบเราจะเห็นได้เวลาลับไปไว้กี่วันโอ้ธรรมหาวิญญาณน้าเลยถามเลยอยู่สบายสบายคนเดียวนะ้านี่แห น, น่สนหว่านั้นมีปัญหาทั้งนั้นเป็นอุบายทั้งนั้น หเรามาแล้วก็ต้องตาต้องสอดต้องสองอะไรต้องทำก่อนหมู่ก่อนเพื่อนหมดนี่เราเป็นหัวหน้าคล่องตัวกว่หมู่เพื่อนชกักจูงหมู่เพื่อนว่างไงการปัด ก, กันกวานี่อเร า, เานั่นแหละลงก่อนนะของไหนมันอื้อดา่ดาเดีวกี้เอากี้เอามันไม่หนักได้ไงตีนั้น ในแล้วออกกับคนเดียวนุ่งมีคนเดียวท่านเด็ดผึ่งผึ่งมีคนเดียวพราแมวอาจารย์ปกติท่านมาอย่างผมไปแล้วแต่ท่านก็รู้ความจําเป็นท่านก็ได้รับความสะดวกอันหนึ่งจากเราส่วนหยาบหยาบนี่ยเราอยู่นั่นก็เรียบร้อยคะแนนแล้วก็จริงกลางๆของของตาท่านมากนะพอเราไปนี่ก็จะแสดงผ่าหัวหน้เห็นที่ อันก็แก่แล้วอันขี้เกียจ ด, ดุ่งแต่มันก็หวางอยู่จนไดน้เวลามาแล้วลกันคุยกั น, นโอ้สนุกคุยกันมากกันถ้าแกงก็ดีนะ่าจกขอขนภาวนาดีนะ เป็ทุกวันจะเป็นยงไงไม่รู้นะที่อยู่บนเพลานอนนี่้พังมาไปกรอบไปสร้างบุตรูเหลาน้ำหนาเป็งนงั้นนะเรื่องความไม่รับความระวังยากดูนะคือคิดอะไรก็ทําลยนั้นกิเลสมันขึ้นง่ายนมีชื่อมีเสียงกี่สิบกิจสักติกิริคุณมันไม่สร้างมันแบกกิเลสนี้ทําไปแล้วนจมไปเนี้ยเนี่ยท่านพวงองค์หนึ่งท่านพวงนั้ น, น, น, นี่ก็ออกทางน่านปริยัติได้ เป็นเจ้าคณะอยู่ไหนอยู่เป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ยะโสธรได้ไงภาวนาหน้าฟังไ น, นะท่านพวงเล่าเพราแม่อาจารย์ฟังผมนั่งฟังนั่นเวลานิมิตเกิดปรากฏเป็นนิมิตนิสัยท่านรอบออกรู้ต่างๆหน้าฟังพอพภาวนาอาจารย์ร่วมกันแล้วที่เขไปอยู่ที่ท่านาวเงวงเลยบอกบอกัตรบอกเบอร์ก็ไปเรื่อยแล้วไปใหญ่เลยที่ มันก็เสียหลักอะไรนี่ตอนนั้นก็เลยเ็อย่นี้ออกทางปฏิบัติไปเลยการพิเดนมันเตะจนออกนอกวงของทําไปได้นั้นแหละเราเดชามาันสร้างที่ไหนไม่เอาอะไรเนะพราะนี่ใจเราเป็คนตับเดียวว่าทำอะไรทำได้นนยังพอนาแลมายุ่งไม่ได้วางนี้เลย อนนี้ก็ยังไปยังทำอะไรก็หยิทำให้เสร็จแลทิ้งพวก่สลัดปุ๊บแล้ไปเลยไม่ทำเครื่องท ำ, ทำากศัออกดิ์ต่อปฏิบัติมาไม่ได้อเดสร้างอะไรก้า อ, อกปฏิบัติเรื่อยๆไม่ต้งมาเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนก็ทำอย่างนี้แนละ้วยงเด็กนี้นะ มัจำเป็นมาคนกนี้มาหกก ม, ามู่เพื่อนของมา ก, ก็เลยทําเลยสร้างแล้วยุ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยเลยกิดกลายเป็นโรงงานขึ้นมาอีกวันหนึ่งหนึ่งเสียงโคลงคำโกลงคามๆๆทั้งวันทั้งวันก็เลยวนันจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ น, น, นะแล้วทำจะที่หายไปหมดอันนี้มันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมาเราไม่เคยมีไม่เคยทํานะนนี้มันจะ แทรกแล้วจะแซงกันไปเรื่อยๆนั่นสิ่งอันนี้มันแซงได้ง่ายๆที่เดมาอยู่บ้านผมคุณนกับใครตั้งแต่จะเป็นบ้านเกิดผมอุปเพื่อนก็เห็นไม่ใช่หรือผมไม่คุ้นกับใครเหมือนไม่ใช่บ้านผมแม้แต่พี่ๆน้องๆก็ไม่นํามายุ่งกับผมได้นี่ผมทําไปเป็นเสมอภาคไปหมดในความรู้สึกของผมผมไม่ได้ว่านี่เป็นน้องนั้นเป็นพี่นี่อันนี้ใกล้ชิดนั้นนันะให้มีความหนักแน่นผมไม่มีนี่ คนเหมือนกันว่างั้นเลยนั่นเป็นธรรมความเป็นธรรมคนเหมือนกันเท่านั้นพอไอ้วพวกพี่ตีวงกับญาติกับวงกับพี่กับน้องนั้นผมไม่ได้ผมใครๆก็คนเหมือนกันคือบ้านผมน้องๆนี่ผมไปขึ้นบ้านไหนทีผไม่ขึ้นเนีแต่คุณก็ไม่คุ้นกับใคร นอกจกเราเรียกมาใช้กรมธรรมนาที่ควรจะใช้ดังนั้นมายุ่งกับผมไม่ได้ไหนๆก็เหมือนกันหมดมนุษย์เหมือนกันมีใครจะยิ่งจะหย่อนกันความเป็นมนุษย์ก็เท่ากันให้ความต่างางมนุษย์เหมือ น, นกันเลยหมด ปฏิบัดิกัไม่ทราบทำมันยังไงต้องไง น, นี่พูดหนักๆ น, นะสบายๆนะเรานี่เคยเห็นมาแล้วนะเราอย่าให้มีนั่นในวันนี้นะอะไรจะจัดเป็นวาระกันก็จัดให้ทําตามนั่นเลยอย่าให้เพื่อนไค้ข้าอย่าว่าท่านมจะทําเราจะทําคนจะทํานี่ทำไม่ได้นะถือเป็นความจําเป็นเท่าเทียมกันหมดเพราะกิจวัตรเป็นกิจวัตรของพระนเราไปไหนต้องมีกิจวัตรคือพระ อยู่ที่เชิดเหมือนสัตว์ได้ไหมเราไม่ใช่สัตว์ก็เป็นพระทำคามวัดปฏิบัติอะไรก็ทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อใครหนักบ้ามากเนอย ก, ก็เพื่อเราทั้งนั้นแขกคนมาบ้าบ้าผ ม, ก, มาก็ยิ่งีิ้วิจัยกับหมู่เพื่อนนานไดยุ่มกันอยู่นั้นผมเองก็ยุ่มไปแบบหนึ่ง ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปยุ่งกับผมยุ่งหรืกันต้อนรับแนะนำต่างสอนไปเท่านั้นพอแล้วหนักแล้วผมอ้าวหยเท้าเหนื่อยน้องใช่ห า, าออะไรให้เรื่ง่วงนอนไม่ง่วงแล้ ว, วันเท้าก็เท้าก็เหนื่อยมีเท่านั้นแหะมีอะไรอีกที่